ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ก่อนเทศนะท่านจะให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอะไรนั่งสมาธิแล้วบางทีท่านก็เทศให้ฟังถ้าใจพร้อมถึงสมัยพุทธกาลเองก็เป็นอย่างนั้นบางทีพระนั่งรอฟังพระพุทธเจ้าเทศนะรออยู่หลายชั่วโมงท่านก็ไม่เทศสักทีจนดึกสังนัดเลยยามสองแล้ว ยามสองสามทุ่มไปแล้ว น, นใจสงบนั่งสมาธิไปเรืยใจสงบบางวันท่านก็เทศให้ฟังบางวันนานท่านก็ปวดหลังพระเจ้าท่านก็จะบอกพระเทราะาอื่นๆบอกดูก่อนสารีบุตรจิตของพิษสูทั้งหลายเนี่ยปราศจากถีนมิธะแล้วปราศจากนิวรณแล้ว สมควรที่จะฟังทำแต่เราตาคาโคตั น, นี้ปวดหลังเต็มทีเราจะเอนให้สารีบุตรแสดงทำจะมีพระสูตรแบบเนี้เยอะเลยไม่เฉพาะภาษาลิบุตรองค์อื่นก็มีภาษาริบุตรแสดงเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็จะลุกขึ้นมาอนุโมทนาให้ว่าแสดงถูกต้องแล้วตรงที่พุทธเจ้าสเต็มให้เนีะ ก็เลยถือว่าเป็นพุทธภาษิตพระสูตรนี้มีสองพวกนะมีสาวกภาษิตกับพุทธภาษิตถ้าพระเจ้ารับรองให้ก็ถือว่าเป็นพุทธภาษิตไปถึงจะเป็นสาวกเทศก็ตามบางครั้งมีพระมาะมากๆพระต่างถิ่นมาพระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยแล้วท่านก็เรียกให้พระเทศให้ฟังองนั้นเทศตรงนี้เทศ มีอยู่องค์หนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกให้เทศิไัยไม่ยอมเทศนะ่ะรือพระมหากัสปะพระเจ้าบอกว่าเอาภิกษุมามากมายมาจากต่างถิน่นจะมาฟังธรรมเราไม่เทศไม่ไหวละให้พระมหากัสปะเทศให้ฟังหน่อยมหากรสปะท่านบอกว่าภิกษุพวกนี้ไม่คู่ควรที่จะฟังธรรมะจิตไม่เคารพพระธรรมเนี่ย ทีก็ เ, เป็นพวกมักมากฤทธิ์ท่านเยอะนะคือมาแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยนะท่านไม่เทศให้เปลืองแหลงท่านเลยพระมหา ก, กัสปะพราะท่านอายุเยอะเนี่ยงความพร้อมของคนฟังเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเลยอีกอย่างความพร้อมของคนเทศอย่างพระพุทธเจ้าท่านแก่แล้วท่านเทศไม่ไหวอะไรอย่างงี้บางท่านเหนื่อยมากพระพุทธเจ้าทํางานแทบตลอดเวลา เวลาพักของท่านมีไม่มากตื่นเช้าท่านก็ต้องดูแล้วว่าวันนี้ท่านควรจะสอนใครเช้าก็ไปบินทบาตบินธบาตเสร็จแล้วก็เลยไปสอนบุคคลที่เข้ามาในไข่ที่ท่านจะไปโปรดตอนกลางวันตอนบ่ายกลับมาวัดญาติโยมก็ามามาฟังธรรมตอนเย็น ญาติยโยมฟังทมเสร็จแล้วสอนพระวนเที่ยงคืนเที่ยงคืนเราไม่ได้นอนนะสอนเทวดาต่อเวลาทำงานของท่านแนะทบไม่ได้หยุดเลยบางทีท่านก็ไม่ไหวเหมือนกันท่านก็หลีกเล่นเป็นช่วงๆขอพักเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็กำหนดไว้เลยว่า ห้ามภิกษุเข้าไปหายองเว้นภิกษุที่เอาอาหารไปส่งท่านเอาบัตรใส่อาหารไปให้ท่านภิกษุทั้งหลายนี่ยก็ถือกติกานี้กันนะเคยมีองค์หนึ่งเป็นพระเอตตะคะด้วยท่านละเมิดกติกานีนะ้ท่านท่านมาจากที่ไกลน่านพาลูกศิษย์ท่านมาแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านริกรเร้นพะพุทธเจ้าพระเทศให้ฟัง พอออกมาแล้วภิกษุทั้งหลายตีเตียนว่าอาบัติละเมิดกติกาคือภิกษุทั้งหลายเนี่ยพระเทเจ้าหลาีกเร้นนะภิกษุทั้งหลายก็เลยไปออกกติกากันเองบอกว่าระหว่างที่พระเทเจ้าหลีกเร้นเนี่ยถ้าภิกษุองค์ใดที่ไม่ใช่ภิกษุที่ส่งอาหารมนาะเข้าไปพบเนี่ยอาบัติถือว่าอาบัติเหราะฉะนันถ้ามาปรับอาบัติพระหลวงพ่อลืมชื่อท่านนะองค์เนี้ย เป็นพระเอตตะทักข้าองค์หนึ่งเลยท่านไม่รับอบําบัตก็พวกนี้ก็พระพุทธเจ้าพ้นจากการหลีกเล้นแล้วก็พากันไปเฝ้าบอกว่าพระองค์เนี้ไม่ยอมรับอําบัตพุทธเจ้าถามว่าทําไมไม่ยอมรับอําบัตท่านบอกท่านเคารพพระพุทธเจ้าที่สุดเลยท่านจะไม่บัญญัติอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ ท่านจะไม่ถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าการเข้าไปพบท่านระหว่างหลีกเร้นเนี่ยเป็นอาบัตพระอื่นจะมาตั้งอาบัติเอาเองเนี่ยไม่ใช่ศาสนาของพระอื่นนะดูท่านเก่งไหมสมเป็นเอตทักขะไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถูกต้องแล้วพิสูจพวกนี้ทําผิดอยู่ๆก็ไปตั้งอาบัตกันเองประณีตมากนะธรรมะของพระทเจ้าประณีด ศึกษาพฤติกรรมของพระแต่ละองค์แต่และองค์งนะพระสาวกรุ่นน้นเป็นตัวอย่างที่งดงามเหลือเกินแต่และองค์แต่พระเร็วๆก็มีนะอย่าไปเอาอย่างพระฉับพักคีพระเลยแต่ฉับพักคีมีข้อดีพระฉับพักีเนี่ยเป็นต้นบรรดาศพระวินัยเนี่ยเยอะที่สุดเลยแต่ว่าแกฉลาดฉับพักคีเป็นพวกหกคนปัญจวัคคีเนี่ยพวกห้าคน พวกปัญจวัคคีย์นี่พวกดีพวกฉับพักคีนี่พวกหาเรื่องชอบทําอะไรแผลงๆลงก่อเรื่องตลอดเวลาแต่ว่าพรพระพุทธเจ้าห้ามนะบัญญัติว่าอย่างเนี้เป็นความผิดฉับพักคีไม่มีความผิดเพราะเป็นต้นบัญญัติเป็นคนทําผิดคนแรกยังไม่มีกฎหมายฉับพักคีจะไม่ทําซ้ําในสิ่งที่พระุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็จะมีอินโนเวชั่นพัฒนาตลอดเวลา ถ้าไม่มีพระกลุ่มนี้นะซีลสองรอยยี่บเจ็ดจะไม่มีมีไม่ถึงนะบางทีพวกก่อเรื่องก็ดีมันกันนะเป็นต้นบรรจักรแต่แกดีตรงที่ว่าถ้าอะไรห้ามแล้วไม่ทำแกแผลงๆนะถึงขนาดมีคราวหนึ่งสมัยแรกๆเนี่ยการบวชพระเนี่ยไม่ได้กำหนด อ, อายุหกเจ็ดขวบอะไรก็บวชได้แล้วเป็นพระ เกิดทุพพิกภัยอดอยากอย่างตอนนี้น้ำท่วมเยอะแยะนั้นพ่อแม่หายไปเลยนะพวกเด็กๆก็มาบวชอยู่ในวัดเยอะแยะเลยก็เป็นภิกษุด้วยภิกษุพวกนี้กลัวผีชาบพักกีจะคอยหลอกผีมาผีมาร้องไห้กระจองอแงยพระเจ้าก็บัญญัติห้ามภิกษุหลอกผีหลอกเพาผีดุตรงนั้นหลอกเด็กนะห้าม แกก็ไม่ไม่ไปแกล้งเด็กพวกนี้ไปหาอย่างอื่นเจอพระหน้าเบื้งมาจับจีเอลขาดใจตายเลยนะพระเจ้าก็บัญญัติห้ามไปจีเอลภิกษุตัวรอดตลอดเลยนะเพราะเป็นต้นต่อความคิดนี้บันเจิดตลอดเวลาเลย เมื่อเช้าหลวงพ่อพูดเรื่องอนาปนาสติให้ฟังไม่มีที่ไหนหรอกอย่เนี้ยเราให้ฟังในตำราก็ไม่ได้เขียนไว้มากมายอย่างนั้นไม่ได้แจกแจงพิสดารอานาปนาสติเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยดีมีสติไปอยู่ที่ลมหายใจแลลมหายใจจะค่อยสั้นทีแรกลมยาวนะ หายใจแล้วมันสั้นขึ้นสั้นขึ้นแล้วกลายเป็นความสว่างอย่างนี้ก็ยังดีได้สมถะถ้าหายใจแล้วเคลิมขาดสติไปนะอันนี้ไม่ดีสติอ่อนไปนะหายใจแล้วแน่นแข็งปอกขึ้นมาเลยเครียดเครียดแข็งแข็งอันนี้สติแรงไปไม่ดีจงใจมากไปนะถ้าพอดีพอดีนะลมหายใจสบายสบายลมจะค่อยสั้นสั้นแล้วสว่าง พอสว่างแล้วเนี่ยจะเล่นกับสินก็ได้เล่นกับสินแสงสว่างนะอยากรู้อยากเห็นอะไรก็รู้ได้อยู่ได้ที่พระจักสุกแลกสินแสงสว่างหรือกับสินลมนสินลมก็ได้เห็นลมหายใจมันไหลเข้าไหลออกเป็นกับสินดินก็เห็นร่างกายที่หายใจไม่ได้ดูตัวลมตรงๆในลมหายใจก็ยิงอยู่กับร่างกายก็ใช้ได้ทําได้หลายอย่างพลิกแปลงได้เยอะแยะ กไม่เล่นกนสิน่นนี่ไม่เป็นไรนะไม่ให้จิตเข้าไปจับหลมนะก็สงบเข้ามาเข้าอุป จ, จารสมาธิแล้ได้อุป จ, จารสมาธิแล้วเดินปัญญาในอุป จ, จารสมาธิก็ได้เลยเข้าอัปปนาสมาธิไปพักอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นที่พักของจิตก็ได้ทำสมถะออกจากอัปปนาสมาธิมา มาแยกธาตุแยกขันมาเดินปัญญานี่เป็นสมาธินำปัญญาถ้าชำนาญในฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตก็ไปเดินปัญญาในฌานการเข้าฌานนี่ปัญญากับสมาธิควบกันนะคือไปเห็นองค์ฌานเกิดดับหนึ่งในแสนประเภทนั้นนะหายากยุคนี้เชื่อเดินปัญญากับสมาธิควบกัน เดินปัญญาการสมาธิควบกันเนี่ยบราารลุพระรหันไม่ได้เรียกว่าอุพโตภาควิมุตนะบางคน น, นึกว่าเดินปัญญาการสมาธิควบกันแล้วเป็นพาาระรหันชนิดอุพโตภาควิมุตไม่ใช่อุพโตภาควิมุตเนี่ยต้องเข้าอัปนาสมาธิถึงขั้นอรูปฌานไม่มีรูปดับรูปด้วยอรูปดับนามด้วยวิปัสสนาไม่งั้นถ้าบราารลุพระรหันบรรลุ ทำในอารูปฌานจะได้เรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์นี่ถ้าทำวิปัสนาในฌานไม่ไดนะ้ก็ถอยออกมาจากฌานมาเดินปัญญาพิจนากายไม่ควรไปดูจิตมากหรอกแต่บางคนก็ดูจิตได้หลวงพ่อพุธก็สอนออกจากสมาธิมาแล้วดูจิตที่เปลี่ยนแปลงจิตเมื่อกี้สงบตอนนี้ไม่สงบนะ จิตเมื่อกี้มีปิติตอนนี้ไม่มีปิติจิตเมกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีความสุขดูความเปลี่ยนแปลงเลยดูตอนออกจากสมาธิมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธินําปัญญาด้วยการดูจิตสมาธินําปัญญาด้วยการดูกายก็นะเห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูดูมต่อไปเลยเห็นเลยไม่มีตัวเรานะอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขาฌานไม่ได้น่านก็ใช้ปัญญานําสมาธิฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา ทำได้หลายวิธีที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันก็ได้พุโทโธไปจิตไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันถ้าเรารู้ลมหายใจอยู่แล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันนะนี่ธรรมานาปนาสติไ ด, ได้ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาหลือนะหายใจไปนะเห็นร่างกายมันหายใจไปจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทัน จิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันอะไรเงี้ยรู้ทันจิตที่ไหลอ่ะจิก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้พอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วคราวนี้ก็มาเดินปัญญาต่อถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูกายก็<ๆ>เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูจะรู้สึกเลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายพองยุบจิตเป็นคนดูก็รู้ว่าร่างกายที่พองยุบเพราะลมหายใจนะั่นะนะไม่ใช่ตัวเรานะ ถ้าจะเดินปัญญาด้วยกันดูจิตจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วหายใจไปหายใจไปแล้วมีความสุขก็รู้หายใจไปแล้วมีความทุกข์ก็รู้นะหายใจแล้วความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขดับไปก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์ดับไปก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้ก็เป็นเวทนานุปัสนา ไม่อย่างตอนที่เรามีสติเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่คือกายานุปัสสนานะที่เป็นวิปัสสนาหายใจไปแล้วจิตเป็นสุขขึ้นมาก็รู้หายใจไปความสุขหายไปก็รู้หายใจไปแล้วจิตมันทุกข์ขึ้นมาไม่ได้เข้าฌานนะหายใจบางทีก็เครียดเครียดเหไหมไม่มีความสุขก็รู้ทันนะเห็นความสุขความทุกข์เกิดแล้วดับไปนี่คือ ทำอนาปนสติแล้วก็มาถึงเวทนานุปัสสนาหายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้หายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้นี่ขึ้นมาจิตตานุปัสสนาหายใจไปแล้วเห็นจิตมันปรุงแต่งมันทำงานได้เห็นรูปก็ส่วนรูปนามก็ส่วนนามขันห้าแตกกระจายออกไปอันนี้ขึ้นไปทำานุปัสสนา หือหายใจไปแล้วเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาก็เป็นธรรมานุปัสสนาหายใจไปแล้วเวทนาเกิดขึ้นจิตมีความอยากความยึดในเวทนาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเห็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาเห็นไหมธรรมานาปนาสตินะคลุมสติปฐานสีได้ด้วยไมไม่มีกรรมัฐานอะไรเหมือนเลยนะตั้งแต่ลอยถ้วยไม่มีสติเลย หรือทำจนเครียดสติแตกไปเลยนะก็เป็นไปได้ทำแล้วก็พลิกไปทางกสินนะเล่นอาิญญาก็ได้ทาแล้วเข้าฌานเพื่อพักผ่อนออกจากฌานมามาเดินปัญญาดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ทำแล้วเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานเจริญปัญญาอยู่ในฌานเลยก็ได้ ทำแล้วเข้าฌานไม่ได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเดินปัญญาใช้ปัญญานําสมาธิก็ได้ไปดูจิตดูใจหายใจไปจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้รู้ทันนี่เดินปัญญาดูจิตเดินปัญญาดูกายเดินปัญญาดูจิตนะแจกแจงให้ครบก็คือการทําสติปัฏฐาน4ี่ครบทั้งหมดเลย เห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูกายไม่ใช่เราเป็นกายานุปัสสนาหายใจไปมีความสุขหายใจไปความสุขหายไปหายใจแล้วมีความทุกข์หายใจแล้วความทุกข์หายไปหายใจแล้วมีอุเบกขาและอุเบกขาหายไปอันนี้เป็นเวทนานุปัสสนาหายใจแล้วฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วสงบหรือว่าสงบหายใจไปแล้วจิตรวมเป็นมหคัต หายใจแล้วจิตไม่รวมเนี่นี่เป็นจิตานุปัสสนาหายใจแล้วเห็นขันกระจายตัวไปแต่และขันทำงานของขันเป็นขันถบับในธรรมานุปัสสนาหายใจไปแล้วโพดชงเกิดขึ้นมีสติรู้ลมหายใจมีความเพียรที่รู้ลมหายใจมีชันท่าหายใจแล้วสบายใจวิริยามก็เกิดมีความเพียร ตามรู้ตามเห็นในตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ทำมาวิจยะนะมีปีติขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ปีติในฌานเป็นต ป, ปีติเพราะมีปัญญานะมีปีติและสติรู้ทันปีติหายใจไปมีปีติรู้ทันปีติดับสงบพมาเป็นปัตสัตตินะแล้วเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นจิตเป็นอุเบกขาเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงไปเป็นลาดับ ตามหลักของพุทธชงอันนี้ก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาหายใจไปแล้วมีนิวรณ์ขึ้นมารู้เท่าทันนิวรณ์นั้นนิวรณ์เกิดแล้วดับไปเป็นนิวรบัตอยู่ในธรรมานุปัสสนาหายใจแล้วเห็นอริยสัจก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาหายใจแล้วมีความสุขมีความสุขแล้วตัณหาเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นหายใจแล้วมีความทุกข์น ตันหาก็เกิดอยากให้มันหายไปอยากให้ความทุกข์หายไปนะมีตันหาขึ้นมาจิตใจก็มีความทุกข์ขึ้นมานี่เห็นปฏิจจสมปบาทนี่หนะลวงพ่อไม่เห็นนีกรรมฐานอะไรนะอัศจ ร, รเหมือนานาปนานสตินะลึกล้าจนถึงขนาดยอมรับเต็มปากเต็มคํานะเต็มหัวใจเลยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษ ไม่ใช่กรรมฐ า, านของคนทั่วๆไปจะเล่นได้ชำนิชำนาญหรอกนี่พวกเราเล่นไม่ได้นะเราก็เลือกเอาส่วนที่เล่นได้หายใจแล้วรู้สึกตัวไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันทําตรงนี้ให้ได้หายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมืจิตเป็นผู้รู้แล้วจะดูกายดูใจก็ดูไปเลยนะไม่ต้องไปเข้าฌานก็ได้อนะ เอาแค่ okay, ว่าหายใจไปเห็นกายมันหายใจไม่ใช่ตัวเราหายใจนะหายใจไปจิตใจมีความสุขความทุกข์เห็นเออมันสุขมันทุกข์กของมันได้เองหายใจไปแล้วก็เกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างเช่นเกิดฟุ้งซ่านหายใจแล้วฟุ้งซ่านมีไหมส่วนใหญ่นะั่นแหะหายใจแล้วฟุ้งซ่านเห็นไหมก็ดูไปจิตมันฟุ้งซ่านนะเราเป็นแค่คนดู ดูไปดูไปมันก็เลิกฟุ้งของมันไปเองแหะฟุ้งซ่านมันก็ไม่เที่ยงเห็นแต่ของไม่เที่ยงมีความสงบเกิดขึ้นหายใจสบายๆมัน ส, สงบขึ้นมาก็อยู่ช่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปอีกนี่เราฝึกแค่นี้ก็พอละหายใจไปจิตนี้ไปเรารู้ทันจยได้จิตผู้รู้ขึ้นมาตั้าจากนั้นเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้เดินปัญญาด้วยกันดูกายถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตดูหายใจไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะ หายใจไปแล้วจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ก็จะเห็นเลยทุกอย่างนะชั่วคราวไปหมดนะถ้าฝึกไปอย่างนี้นะเรียกว่าปัญญานำสมาธิมันนำสมาธิยังไงควจริงมันมีสมาธิอยู่แล้วแต่มันมีในขั้นคณิกะสมาธิสมาธิชัว่วขณะเมื่อทำเดินปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยจิตจะรวมขออ้ออภปนาเองนะในนาทีที่จะตัดสินความรู้บรรลุอริยมรรคอริยผล อริยมรรคอริยผลไม่เกิดในจิตของคนธรรมดาอริยมรรคอริยผลเกิดในฌานจิตเท่านั้นเกิดในรูปฌปานก็ได้เกิดในอรูปฌปานก็ได้แต่จะไม่เกิดในวิถีจิตปกติของมนุษย์นี้นี่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นไม่ต้องตกใ จ, จเจริญปัญญาให้มากมีแค่ขณิกาสมาธินะทุกวันพยายามไหว้พระสวดมนต์ไว้ทําในรูปแบบจิตหนีไปคิดแล้รู้ทัน เนี่ยฝึกให้มันมีคณิกาสมาธิแล้วมาเดินปัญญาลูกกายรู้ใจในชีวิตประจำวันถึงเวลาก็ทำความสงบไม่พลาดส่วนมนนั่งสมาธิเดินจงกรมรู้ทันจิตที่หนีไปหมดเวลาเข้ามารู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันต่อไปถึงวันที่สติสมาธิปัญญาแก่รอบพอจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองรวมเองแล้วเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้น อันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิลึกซึ้งมากนะอ น, นาปนาสติแต่ว่าเราฝึกง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องสนใจถึงขนาดทำไงจะเกิดฌานจิตทำไงจะไปเดินวิปัสสนาในอุปจาระเห็นมันไหวๆขึ้นมาแต่ส่วนมากพวกเราก็ทำได้อันเนี้ยคนจำนวนมากก็ทำได้นั่าสมาธิแล้วก็เห็นใจสงบนะเห็นมันปลุงขึ้นมา เกิดดับไปบางทีไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับไม่มีชื่อยังมีชื่ออยู่จิตยังฟุ้งซ่านมากที่เห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นดับไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ถึงขนาดเห็นองค์ฌานเกิดดับอะนี้มีน้อยเต็มทีประเภทหนึ่งในแสนอะไรเงี้ยหายากส่วนถฝึกในชีวิตประจำวันเนี้ยเดินปัญญาอย่างเงี้ยง่ายพอทําได้สําหรับคารวาส ที่วันเต็มไปด้วยความวุ่นวายหายใจไปอย่าหยุดหายใจนะหายใจแว้ก่อนอ้าวต่อไปส่งกันบ้านเอาเท่าที่จำเป็นนะเชิญพวกอยู่วัดก่อนคือช่วงนี้พยายามปฏิบัติแบบให้จิตตั้งมั่นนะครับทีนี้เมื่อวานนี้กสังเกตในการปฏิบัติ ทำสองสิเราเป็นบาดหูอื้อคือพยายามทําสมาธิในแบบให้จิตตั้งมั่นนะครับเอแล้วก็เหมือนกับไปสังเกตว่าเหมือนกับอมันไปสร้างตัวตนหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยมากถามหลวงพ่อไม่รู้รทันเอาเนาะสร้างขึ้นมาก็รู้ทันเอารู้อย่างที่มันเป็นอะไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรก็ได้รู้แต่ว่ามันแปลกแปลกคือพอทำแล้วรู้สึกเหมือนมันจะมีกําลังมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับทําสู ทำ<อ>ไปก่อนต้องทำคือทำอันนี้ไปก่อนได้ใช่ไหมคบได้ต้องทำก่อนไปฝึกต่อไปให้ใจตั้งมั่นอย่างนี้แหละแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสไปคือรู้สึกมันจะเห็นแยกจิตนั่นแหละเกิดดับได้เออนั่นแหละถ้าไม่ไม่ตั้งมั่นไม่มีแรงแยกไม่ออกท ำ, ทำอย่างนี้ก่อนทำไปก่อนใช่ไหมคะเออแต่ถ้าทำแล้วกูเก่งกูเก่งให้รู้ทัน กลับมาเ ก, การหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะวันนี้หนูขออนุญาตส่งกันบ้านเรื่องการเดินจงกรมของหนูนะคะว่าหนูทําได้ผิดถูกประการใดหลวงพ่อช่วยแนะนําด้วยนะคะคือว่าหนูเพิ่งฝึกมาได้3เดือนนะคะแล้วก็หนูก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมของจิตระหว่างที่เดินจงกร ม, มนะคะหนูจะใช้เวลาในการเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปในช่วงแรกเนี่ยหนูก็จะปล่อยแบบฟรีสไตล์เลยคือ ปล่อยให้ความคิดน่ยมันเข้ามามันก็เป็นเป็นแบบความคิดไหลามาเยอะมากเลยนะคะเป็นความฟุ้งอย่างแรงเลยแล้วก็ดูก็ตามรู้ไปรู้ได้บ้างไม่ได้บ้างคือหมายความว่าจิตเนี่ยไหลไปอะมากบ้างน้อยบ้างอะแล้วแต่ความแรงของความคิดนั้นๆแล้วก็นูก็าหลวพ่อสอนว่าให้รู้เยฉยๆดูก็รู้เฉยๆไปแล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเต็มไปด้วยกิเลสมีทั้งราคะโทสะโมหะ เยอะไปหมดเลยหนูก็ทนดูไปทนเจ็บปวดไปทนดูไปว่าชีวิตนี้มันมีแต่ความทุกข์ทำไมมีแต่เรื่องมารุมแล้วเยอะไปหมดเลยหนูก็ปล่อยจนกระทั่งมันมันมันหยุดไหลมาค่ะเหมือนกับว่ามันหมดแรงเหมือนกับจิตนี้มันถูกเวี่ยงไปเต็มที่แล้วจนไม่มีเรื่องจะมาทําให้จิตมันสะบักสะบอมไปกว่านี้แล้วหนูก็ทนไปจนกระทั่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันสโลโดาวค่ะ มันเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าช้าลงเนิบลงตามรู้ตามดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็เบาลง<ม>กิเลสมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วจนกระทั่งไปอีกระยะหนึ่งอ่ะนี่ก็คือผ่านไปประมาณสักสามสิบนาทีสีสิบนาทีไปแล้วอ่ะหนูก็จะมีความรู้สึกที่ที่กลางอกเนี่ยมันเหมือนกับจิตมันแยกตัวออกมามค่ะมันฟืบออกมาอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเสร็จแล้วเนี่ยสว่างไหม บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นว่าสว่างแต่รู้ถึงความเบาความเป็นอิสระที่มันมฟึบออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วมันเบิกบานไหมเบิกบานค่ะแล้วก็ว่องไวแล้วก็รู้ได้ชัดแบบแจ๋วๆเลยรู้ได้รอบรอบตัวแต่รู้ทีละอย่างนะคะมันจะมารู้ที่หูบ้างรู้ที่จิตบ้างรู้ที่อะไรบ้างแต่รู้แบบแตะแตะ แตะแล้วปล่อยแตะปล่อยทำอีกนะยังไม่พอยังไม่ขาดทำอีกแต่แต่หนูรู้ว่าจิตตรงเนี้ยเป็นจิตที่ดีมากๆเลยเออแล้วทำให้หนูเกิดศรัทธามากเลยว่าออถ้าจิตหลุดได้หมดนี้จะเป็นจิตที่แบบรู้รอบออแบบไม่มีอะไรมหน่วงไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะเออตท่นั้นแหละดีทำบ่อยๆนะค่ะวันที่มันพอเนี่ยมันจะล้างกิเลสค่ะวันนี้มันยังไม่ล้าง ตรงตรงนี้เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสใช่ไหมคะหลวงพ่อหรือว่ายังมีอยู่มีสิมีมีใช่ไหมคะยังมีอยู่แต่หมายถึงว่ากิเลสมันจะคือตัวนี้เราเดินปัญญาหลวงไม่เห็นมันเป็นการเดินปัญญามันจะเห็นเลยว่ากิเลสนะเกิดแล้วดับไม่มีหรอกเกิดแล้วหายไปหมดนะค่ะแล้วแต่ตัวนี้ก็ไม่เที่ยงค่ะใช่ค่ะไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับทุกวันเพียงแต่ว่าหนูประมวลจากส่วนใหญ่น่ะหนูจะเห็นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นเลยถ้าศีลสมาธิปัญญาเราพอนะมันรวมปั๊บอย่นี้แหวกออกมานะ แล้วมันตัดสังโยชน์ได้หลังจากนั้นเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนตจะไม่มีอีกก็จะได้ธรรมะอย่างนั้นโอ้หนูยังคิดไม่ถึงตรงนั้นแล้วกันวหนูเห็นแต่จากว่าปฏิบัติแล้วเห็นแบบนี้นนเดินได้ถูกต้องเป๊ะๆเลยดีไปทําอีกแล้วเสร็จแล้วหนูก็เห็นว่าจิตตรงเนี้ยมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าบอกเวลาหนูได้ด้วยโดยที่หนูไม่ต้องหันไปดูนาฬิกาอบอกว่าหกโมงแล้วไปปลูกลูกได้แล้วอย่างเงี้ยหนูก็เอ๊ะ ใครมาบอกเนี่ยเขาพูดรู้มันก็ผงมงจริงๆเออพู้รู้มันบอกอ่ะหรอคะอหนูไม่ได้ดูเลยการบอกได้เยอะนะบอกบอกได้ค่ะบางทีมันเทศให้ฟังอย่างได้เลยบางทีหนูก็ไม่เชื่อหนูก็ไม่ดูแต่ไม่เชื่อละดีแล้วค่ะไม่หลวงพ่อไม่ให้ดูบางทีจิตหลอนค่ะอกิเลสเรามีอยู่บางทีมันบอกนะแต่ไม่จริงแต่หนูก็เห็นเขาบอกเวลามานหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยดูดูไปอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าสําคัญมันจะรู้อะไรก็ดูได้จิตอะค่ะ นะแล้วก็หนูกลับข อ, อการบ้านเพื่อเพิ่มอินซีให้แก่กล้าาสม่าเสมอนะค่ ะ, คะ น, นี่แห ล, ละทำุูงแล้วต้องสม่าเสมออ่ะต่อไปมรสการเชียวค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเห็นความคิดอยู่สองแบบค่ะคือแบบหนึ่งเนี้ยมันคิดอยู่ในกระโหลกเนี้ยค่ะแล้วมันจะเป็นเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานแล้วก็มีตัวที่ ไปกินในตัวความคิดนี้อย่างอะเลทอร่อยอะค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งคอยสนับสนุนว่าอืมให้มันกินไปมันจะได้มีความสุขเพราะมันก็แทบจะไม่มีความสุขอยู่แล้วว่าค่ะลักษณะความคิดอย่างที่ในกระโหลกมันจะเป็นแบบเนี้ค่ะกับอีกแบบหนึ่งคือมีตัวผู้เห็นแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาหนูเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความคิดแต่บางครั้งมันยังไม่ได้ บอกว่ามันคิดอะไรแต่ถ้าหนูเห็นความคิดลักษณะเนี่ยค่ะหนูจะเกิดความทุกข์ถ้าท้านนี่หนูยังไม่รู้เลยว่ามันคิดอะไรแต่หนูทุกข์แล้วอะค่ะเออดีทุกข์ดีแล้วจนกระทั่งหนูต้องแบบบางครั้งต้องใช้วิธีสลัดตัวแรงๆเพื่อไม่ให้เห็นแบบนี้อีกอะค่ะเวลาเห็นสภาวะอย่างเงี้ยอย่าจมลงไปนะดูห่างๆแล้วดีดถ้าถาลำลงไปจ้องอยู่กลางอกเนี่ยจมลงไปกลางอกไม่ดี มันจะทุกจนหนูต้องสลัดตัวภายนอกให้หลุดออกมาค่ะยังหนูยังภาวนาถูกอยู่หรือเปล่าเจ้าคะอย่างแรกเราไม่ถูกหรอกอย่างแรกไม่ถูกอย่างแรกเราผิดแน่นอนแต่เป็นสิ่งที่คนเขาชอบเป็นทั้งโลกค่ะอย่างหลังถูกนั่นแหละแต่มันเห็นทุกจิตมันยังทนไม่ไหวทนดูไปด้วยดูไปบ่อยถ้าเห็นอย่างแรกนี่ต้องต้องเลิกให้มันอย่าไปให้อาหารมันอย่าให้อาหารแต่เห็นอย่างที่สองแล้วค่ะ อ ย, อย่างแรกนะให้อาหารกิเลสกิเลสที่ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นอย่างที่สองนะกิเลสอดอาหารแต่มันจะทุกข์มากเลยค่ะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทำแล้วอยู่กับความทุกข์แบบนี้หรือว่าถ้ามันทุกข์มากทนไม่ไหวก็ถอยออกมาทำความาสงบแล้วก็ตั้งหลักดูอีกแต่เวลาดูที่มันไหวๆขึ้นมาอย่าถลํมลงไปดูจะเห็นเลยทุกอย่างไร้สาระ เราจะเห็นแค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยค่ะดีแล้วล่ะแต่ยังทนไม่ไหวดูภาวนาแบบนี้ถูกไหมเช้าค่ะหลวงพ่อฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านนะพุ้งส่านทำความสงบมาแล้วค่อยรู้เอากาบนมะขอบพระคุณ<ม>ค่ะมีไหมพวกอยู่วัดไม่มีละหมดละอา้าวใครจำเป็นขอจำเป็นนะอ่ะ ขณะที่จะเดินปัญญาในฌานขอหลวงพ่อให้การบ้านด้วยค่ะเข้าฌานได้ไหมไม่ขอตอบค่ะฮะขอถือหลวงพ่อให้การบ้านอย่างเดียวก็พอค่ะและที่เหลือโยมไปจัดการเองค่ะเอางั้นเลยเหรอให้กันบ้านนะข้อที่หนึ่งเข้าฌานให้ได้ข้อที่สองดูจิตให้ชํานาญไวนะ้ขั้นแรกฝึกดูจิตให้ชํานาญนะที่ว่าฌานฌานบางทีไม่ใช่ฌานนะไปฝึกให้ชํานาญกันไป จะทําปัญญาในชานเะนี่ยต้องชํานาญสองอย่างชํานาญฌานจนเป็นว่าสีนะเข้าออกตามใจชอบเลยแล้วชํานาญการดูจิตรู้โดยที่ไม่ได้คิดถ้าความคิดไหลเข้าไปนิดเดียวนั้นก็หลุดออกจากฌานต้องเล่นให้ได้สองอย่างนะคนนี้นะ่เอาของยากที่สุดเลยแต่บางคนนะ่ง่ายไปไม่พอฝีมือ อ่ะต่อไปแม่ชีกล่บวธรรมส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหนูขออคําแนะนําจากหลวงพ่อเกี่ยวกับความเห็นนะคะคือหนูทําอานาปนสติะคะ่ะทําตามที่ครูบาอาจารย์บอกแค่วันหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะคะและ้วก็คือหลวงพ่อพูดไปเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วะคะ่ะทีนี้มีความเห็นอย่างนึงว่าความที่มันเกิดดับเกิดดับอะไรไม่รู้ย่อแยกไปหมดเนี่ยคะ่ะ แล้วตอนแรกดูคิดว่าจะไม่ได้มาเจอหลวงพ่อนะคะดูก็ตัดสินใจว่าเอาวะเอาไงก็เอาทําไปเรื่อยๆดูไปเฉยๆนะคะดูมันเกิดมันดับมันมันมีอย่างคือว่าบางทีพอปุ๊บมันสบายเราก็อยากจะได้แล้วก็ไปฝืนทําพ อ, อทําแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่มันบังคับให้มันไม่บังคับก็ไม่ได้ด้วยะะ ม, มันก็จะเป็นลักษณะไม่เฉี่ยอย่างนี้นะต่อไปนี้ให้กันบ้านเลยค่ะไม่เฉีหายใจธรรมะพนสติใช้ได้ แต่ไม่ต้องกังวลเรืสส่องฌานนะธรรม น, นาปานสติไปจิตมีความสุขรู้ทันจิตมีความทุกรู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์รู้ไปเรื่อยรู้ไปทั้งวันไม่ต้องดูตัวอื่นหรอกดูหลายตัวแล้วมันฟุง <S S S S S ้งะะหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ทันหายใจไปแล้วความสุขหายไปรู้ทันหายใจไปแล้วมีความทุกรู้ทันหายใจแล้วความทุกข์หายไปรู้ทันนะ หายใจไปแล้วเป็นอุเบกขารู้ทันอุเบกขาหายไปรู้ทันฝึกมากๆเราจะเห็นเวทนาพอเราเห็นเวทนามากๆเนี่ยเลยค่อยสังเกตอีกเวลาความสุขเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันนะราคะจะแทรกเวลาความทุกข์เกิดขึ้นถ้าไม่รู้ทันนะโทสะจะแทรกจะไม่ชอบนะแล้วก็เวลาความเฉยๆเกิดขึ้นมันมักจะหลงง่ายโมหะเอาไปกิน ไม่ฟุ้งไปก็ซึมไปเพราะงั้นคอยรู้ทันหายใจไปแล้วรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะถ้ารู้ทันมันก็จะไม่มีกิเลสแทรกถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะแทรกกิเลสแทรกแล้วตัณหามจะตามมาเลยมันจะอยากะเช่นหายใจไปแล้วมันก็อยากให้มีความสุขอีกะหายใจแล้วพอมีความสุขแล้วก็อยากให้อยู่นานๆนจะมีความอยากแทรกจิตมีความอยากเมื่อไหร่จิตก็มีความทุกข์เมื่อนั้นดูอย่างนี้ก็ได้นะ หรือจะให้ง่ายกว่านั้นก็ได้อีกหายใจไปแล้วก็เห็นเลยความสุขเป็นของไม่เที่ยงหายใจไปแล้วก็เห็นอีกความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงหายใจไปความเฉยๆก็ไม่เที่ยงรู้แค่นี้พอละ <c oughs> ถ้าเรารู้ได้ไวเราจะรู้แค่นี้ถ้ารู้ช้าละกิเลสจะมา ค, ะค่อยๆรู้กิเลสกิเลสมาแล้วยังรู้ไม่ทันตัณหาก็มาก็อยากตัณหามาแล้วยังรู้ไม่ทันะจิตก็ดิ้นรนฟุ้งซ่านไปะตรงนี้ยังไงก็ทุกข์ละ เพราะงั้นแม่ชีก็รู้ไวๆหายใจอยู่ทั้งวันนี้แหละนะไม่ได้หายใจเอาเดียววิเศษอะไรหรอกหายใจแล้วสุขก็รู้ทุกก็รู้เฉยๆก็รู้รู้เพื่อให้เห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงเม <c oughs> ื่อจิตได้ตามเห็นเวทนาเนืองเนืองได้เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเนืองเนืองเนี่ยมิราคะจะเกิดขึ้นใจมันจะคลายความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์นะ ใจจะไม่ดิ้นเพราะความสุขความทุกข์มีความสุขขึ้นมาก็ไม่หลงระเริงมีความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ทุรนทุรายจิตก็ไม่ปลุกแต่งไม่ดินน้นรนความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นดงนั้นดูความไม่เที่ยงของเวทนาไปหายใจแล้วรู้ความไม่เที่ยงของเวทนาจําได้ไหมประโยคนี้ท <จำ S 1> ่อง<ด>สิว่าให้ฟังสิหายใจแล้วตามรู้ความไม่เที่ยงของเวทนาเออใช้ได้จําไว้นะ แล้วไปทําตัวนี้แล้วจะดีหายใจแล้วรู้ค ว, ความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของเวทนานะเอาใครอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เห็นยกมืออยู่คนหนึ่งขอบคุณค่ะโน่นส่งไปข้างหลังนะลกลวงพ่อเนเล่นนานาปนสาติยี่สิบสองปีนะเล่นอยู่นานเฮ้สรุปออกมาได้เยอะแย่ยเลยเพราะว่าเล่นมากหาสาระไม่ได้ได้แต่ของเล่น มาเดินปัญญาเป็นแล้วเจอหลวงปู่ดูล น, นะกลับนสัส ก, การหลวงพ่อครับพอดีว่าได้มากลับหลวงพ่อเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับ<อ>ได้ฝึกไปกลับไปฝึกเรื่องมีสติกับการเคลื่อนไหวนะครับก็รู้สึกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงครับอืมคือแต่ก่อนเวลามีอะไรมากระทบที่มันทําให้ทุกใจมันก็จะถูกใจมากแเวลามีอะไรกระทบให้สุขใจก็จะสุขใจมากครับก็ เ, <อ>เราพอรับ เหตุการณ์หลายๆอย่างเช่นนาพ่วมอะไรอย่างนี้ครับเขารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นแบบภายนอก น, นี่มันแบบไม่แน่ไม่นอนนะครับอืก็เลยเลยตั้งใจว่าจะพยายามดีนะอนุโมทน า, ย า, ยาด้วยนะทําได้ดีแล้วทําได้ถูกแล้ว <c oughs> เวลา ช, ชีวิตเกิดปัญหาเนะยเป็นเวลาที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองว่ากรรมฐานที่เราทํานั้นใช้ได้หรือยังนะเวลามีความสุขความสบายพิสูจน์ยากเวลาชีวิตมีปัญหาเนะี่ยเป็นบทพิสูจน์เลย เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลาพลัดพรากอย่างตอนนี้เราพลัดพรากจากสมบัติของเราเคยอยู่เคยกินเคยสบายก็ไม่ค่อยสบายพลัดพรากจากความคุ้นเคยบางคนพลัดพรากจากคนในครอบครัวส่งคนเฒ่าคนแก่ไปไว้ที่อื่นอะไรย่างเงี้ยนะถ้าเราเคยฝึกจิตใจของเรามาชำนี้ชำนานนะเราก็จะเห็นว่ามันเรื่องธรรมดานะโลกมันเป็นอย่างนี้แหละ แต่น้ำมาแล้วมันก็ไปนะปีนี้ยังมาแล้วไปไม่ต้องห่วงหรอกนะขอควมเป็นพรงเพราะว่าจะแบบมีการพัฒนาต่อไปยังไงดีครับทำอย่างนี้แหละนะสม่าเสมอแต่ว่าคอยรู้ทันอย่าให้จิตฟุ้งซ่านมากไปทำความสงบบ้างนะจะไปเร็วขึ้นมันยังฟุ้งแรงหลวงพ่อเคยแนะนำให้ประมาณว่าดู พอใจไม่พอใจนี่แหละค่ะแต่จะถามเพิ่มเติมว่าแล้วต้องดูที่หายใจด้วยไหมคะหายใจไว้ก็ได้ให้จิตมันมีเครื่องอยู่นะจะได้สมาธิไปนในตัวไม่งั้นเวลามันกระทบอารมณ์ที่กระทบเยอะแยะมาเร็วดูไม่ทันเ้ามีลมหายใจเป็นฐานไว้แล้วพอกระทบอารมณ์นะควารู้สึกมันมเนิบๆก็ดูง่ายหน่อยแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ค่ะ ทำไมละ่ะมันดีเกินหรอไม่ใช่ค่ะก็แบบมันมีอะไรเข้ามาเยอะแต่ว่าเราก็พยายามตั้งหลักไว้ก็พ ย, พยายามอะไรนะตั้งหลักอะค่ะ เ, <อ>เป็นหลักแต่บางครั้งมันก็สึกว่ามันก็เอียงไปมากงอะไรไม่เป็นไรมนไม่เป็นไรทำถูกแล้วนะอย่างน้อยเราตั้งหลักไว้นะตั้งหลักก็คือตั้งสติไว้นะจิตมันได้ตั้งขึ้นมาไม่ไหลลงไปคลุกกับอารมณ์มันตั้งออกมาได้อะดีแล้ว แล้วหลวงพ่อจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมทําถูกแล้วล่ะไปทําอีกอย่าไปกลัวกิเลสมันมันมาแล้วก็รู้เอาแล้วหายใจกำกับไปด้วยก็ได้หรือไม่อยากหายใจจะพุทโธกากับมเองก็ได้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่มันยินดียินร้นยนายในสิ่งต่าง ๆ, ๆไปขอบพระคุณค่ะมีองไกไหมการาบนิมมบกาลหลวงพ่อค่ะ ก็น้ําท่วมบ้านพ่วงออฟฟิศเรียบร้อยก็ท่วมแต่แต่ข้างนอกข้างในก็พยายามกู้ไว้อยู่นะคะก็กู้ได้ด้วยธรรมะนะคะหลวงพ่อดูไปเลยนะค่ะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี้ยชั่วคราวเป็นเครื่องอาศัยทั้งหมดเลยใช่ค่ะของจริงที่เราจะได้ใช้จริงก็บุญกับบาปของเรานี่แหละทรัพย์สมบัติภายนอกบ้านช่องครอบครัวอะไรนี้เป็นเครื่องอาศัยอยู่กับโลกนะ เราได้อาศัยได้ใช้ประโยชน์เข้ามาพอสมควรแล้วเขาจะหนีไปบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเอาใ ห, ใหม่นะกาสู้เอา <Okay. S 1> ยังดียังมีชีวิตอยู่เรายังมีร่างกายมีชีวิตมีจิตใจมีประสบการณ์ปัญหาที่ผ่านเข้ามามันสอนทำให้เราเติบโตแข็งแกร่งขึ้นนะส่วนคนไม่มีศีลมีธรรมพอเจอปัญหาแบบนี้นะก็ล้มละลายทั้งภายในภายนอก ของเราเติบโตขึ้นนะไม่เสียหรอกสู้เอาวันนี้ขอแค่นี้นะขอบนี้